บทที่4เมื่ออาจารย์บอกว่าอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติสิทรีบสนับสนุนว่าผมก็อยากฟังครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้หลวงพ่ออธิบายเกี่ยวกับพระยอดธงแบบสีอายุทยาที่พระยาตากได้สร้างขึ้นผมไม่เข้าใจว่า พระยอดธงเป็นอย่างไรหลวงพ่อกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับท่านพระครูตอบว่าได้สิแต่ก่อนที่จะอธิบายฉันก็อยากจะขอร้องเธอสักเรื่องหนึง่งคือเธออย่าเรียกสมเด็จพระเจ้าตากสินว่าพระยาตากพระฟังแล้วดูเหมือนว่าเธอตีตนเสมอกับท่านขอให้เรียกท่านว่าพระเถระเจ้า เหมือนอย่างที่ฉันเรียกจะดีกว่าผมเรียกตามหลวงพ่อในป่านะครับพระบัวเฮียวชี้แจงและอธิบายขยายความอีกว่าสิทธิที่ดีต้องทำตามครูบาอาจารย์ไม่ใช่หรอครับอาจารย์เรียกอย่างไรก็ต้องเรียกตามอย่างนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปหลวงพ่อในป่าท่านเป็นอาจารย์ของพระเถระเจ้า ท่านจึงเรียกอย่างนั้นได้ส่วนเธอไม่ได้เป็นอาจารย์ของท่านจึงไม่ควรเรียกอย่างนั้นก็พระยาตากท่านบอกเมื่อ ก, กี้นี้เองว่าชื่อและโคดเป็นสิ่งสมมุติท่านบอกไม่ให้ยึดติดกับสิ่งสมมุติจริงไหมครับท่านถามพระเถระเจ้ามหาราชแห่งทนบุรีไม่ได้ตรัสตอบท่านพระครูจึงเป็นผู้ตอบว่า แม้ท่านจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่เธอก็ควรจะคิดพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในฐานะที่เธอเป็นสิทธิ์ฉันจึงขอร้องแกบังคับว่าไม่ให้เธอเรียกท่านอย่างนั้นเข้าใจไหมเข้าใจครับต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าพระยาตากจะเรียกว่าพระเถระเจ้าเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเรียกครับ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 หรือทชชคัปริตทชชค่ะเป็นคําบาลีเป็นรากศัพท์มาจากทัชชะซึ่งแปลวะ่าธงสนที่กับอัคคะซึ่งแปลว่าเลิศหรือยอดทชชค่ะก็แปลว่าธงอันยอดหรือธงอันเลิศเรียกสั้นๆว่ายอดธง การสร้างพระยอดธงขึ้นก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเมื่อท่านให้สร้างพระยอดธงแบบสีอยุธยาแล้วก็ยังนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระก็จะยิ่งทําให้เกิดความคลั่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมขอรับท่านเรียนถามพระเถระเจ้าอดีตมหาราชแห่งกรุงธนบุรีตอบว่า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 ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันแม่บัดนี้เราก็ขอยืนยันว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะต้องยืนยงอยู่คู่กันตลอดไปศาสนาก็คือพระพุทธศาสนา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 ไม่สามารถเข้าถึงความดีงามอันเป็นนามธรรมาได้จะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ า, ายตายเกิดคือไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเขาจะมีความคิดที่โน้มเอียงไปในทางวัตถุนิยมไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณอย่างแท้จริงแล้วก็ไปเชื่อตามพวกวัตถุนิยมว่าตายแล้วศูนย์ร้ายยิ่งกว่านั้น เขายังอ้างว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในอนาคตพระสงค์พวกที่ไม่อบรมกายไม่อบรมจิตจะนิยมไปอยู่ต่างประเทศด้วยคิดว่าวัฒนธรรมตะวันตกนั้นเป็นอารยธรรมแต่คนตะวันตกเองกลับหันไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา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 สังคมสมก็จะกลายเป็นลิเกโรงใหญ่ที่คนดูพากันเอือมระอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะถูกใส่ร้ายป้ายสีเธอเองก็จะพลอยติดร่างแห่เข้าไปด้วยคือจะมีพวกพระที่ไม่ปฏิบัติเขาอิจ้าริษยาเธอเขียนวิจาร์เธอลงในคอมพิวเตอร์เพื่ออวดว่าเขาเก่งกว่าเธอแต่เธอเชื่อเราเธอ คนดีมีปัญญาเขาอ่านแล้วก็จะตัดสินได้เองว่าคนเขียนไร้ปัญญาหากพยายามโอ้อวดกับชาวโลกว่าฉันเก่งฉันฉลาดถ้าจะเรียกว่าฉลาดก็คงได้เหมือนกันคือพวกเขาฉลาดในอบายเมื่อตายลงก็เลยต้องไปเกิดในอบายภูมิคนผูกนิ่น่าสงสารพวกเราช่วยเขาไม่ได้ เพราะเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าจึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือแม้ในครั้งพุทธกาลคนประเภทนี้ก็มีอยู่หลวงพ่อครับผมอยากรู้ที่มาของทัชกสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หลวงพ่อจะกรุณาเล่าให้ผมฟังจะได้หรือไม่ครับพระบัวเหี่ยวพูดขึ้นหลังจากที่พระอริยะเจ้าทั้งสี่อนุญาตให้ความเงียบเข้าครอบงำ ครูใหญ่ๆเพราะต่างองค์ต่างเกิดธรรมสังเวทถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตเล่านะขอรับท่านพระครูขออนุญาตหลวงพ่อในป่าและพระเถราจเจ้าเมื่อได้รับอนุญาตจึงเล่าว่าสมัยพุทธกาลมีภิกษุพวกหนึ่งไปเจริญสมณธรรมคืออบรมกายอบรมจิตอยู่ในที่ต่างๆกัน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 คือการเจริญสมณธรรมจึงเสด็จมาและตรัสเล่าเรื่องสงครามระหว่างเทวดากับอสูรว่าในสมัยที่สงครามระหว่างเทวดากับอสูรกาลังพิชิตติดพันกันอยู่ครั้งนั้นพวกเทวดามีความสะดุ้งหวาดกลัวพวกอสูรมากอยากจะยอมแพ้ท้าสักกะเทวราชผู้เป็นทั้งจอมทัพและจอมเทพ โปรดให้ประชุมแม่ทัพนายกองทั้งหลายและโปรโดให้ทำธงประจำกองทัพขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณในการที่จะต่อต้านทัพอสูรทรงมีเทวะองค์การว่าดูก่อนชาวเราทั้งหลายในขณะรบกันอยู่ความกลัวความสะดุง้งความหวาดวันพลั่นใจขนพองสยองกล้าวทำให้ขวัญเสียหมดสิ้นกำลังรบ เรานี้อาจเกิดขึ้นแก่พวกเราได้หากคราวใดเกิดมีขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายจงดูทงของเราผู้เป็นจอมเทพและความหวาดกลัวนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าไม่หายให้พวกท่านจงดูทงของเท้าประชาบดทาีท้าวัารุนเท้าอีสานท่านจะหายกลัวได้ในทันที และกลับมีขวัญกาลังใจขึ้นมาได้พระพุทธองค์ตรัสเล่าต่อไปว่าการดูทงของเท้าเทพทั้งสีน่นี้บางครั้งก็หายกลัวบางครั้งก็ไม่หายกลัวเพราะเท้าเพราะเท้าเทพทั้งสี่ยังเป็นผู้มีราคะโทสะและโมหะจึงยังกลัวอยู่ทําให้ขวัญเสียหนีตเตลิดเปิดเปิงไปก็ได้ ส่วนพระรัตนตรัยที่เธอทั้งหลายบูชาเคารพนับถืออยู่นั้นทรงคุณพิเศษทรงอนุภาพทรงอภินิหารเกินกว่าเท้าเทพทั้งสี่นั้นเป็นดังธงใช้ของเธอทั้งหลายเมื่อเธอจเจริญสมถตธรรมอยู่ในป่าเปลี่ยก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีหากเกิดความหวาดกลัวความสะดุ้งขึ้นมา เธอพึงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยภาวนาว่าอิติปิโสพควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเมื่อระลึกยึดน่วงอยู่อย่างแนบแน่นความกลัวก็ดีความสะดุ้งก็ดีย่อมหายไปโดยพลันเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีราคะไม่มีโทสะ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 กราบเรียนพระเถระเจ้าใช้คำพูดแบบเดียวกับท่านพระครูผู้เป็นอาจารย์ว่ากระผมอยากฟังท่านเล่าเรื่องการกู้ชาติขอรับพระเถระเจ้ายิ้มน้นอยๆแล้วเล่าวา่าเป็นเรื่องลำบากยากเข้นอย่างที่สุด แต่เราก็ทำได้สำเร็จเพราะอาศัยพระพุทธานุภาพพระธรมานุภาพและพระสังคานุภาพหากเราไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เลื่อมใสในพระลัตนตรไยอย่างแท้จริงเราคงทำงานนี้ไม่สำเร็จและเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เราเมื่อพบกับหลวงพ่อในป่าและท่านขอใหเราวางดาบมารับกรรมฐานจากท่าน ซึ่งนั่นหมายถึงการสละราชสมบัติออกพนวดเพื่อจเจริญพระกรรมฐานเราจึงตัดสินใจทันทีไม่ได้มีการรั้งรอเราได้เรียกสหายของเรามาพบเพื่อมอบหมายภาระหน้าที่อันสำคัญให้ซึ่งเราจะเล่าในภายหลังท่านอยากฟังเรื่องการกู้ชาติไม่ใช่หรือใช่ขอรับพระบวัวเหีียวตอบ พระเถระเจ้าจึงเล่าต่อไปว่าศรีอายุทยาตั้งมั่นอยู่กรุงทนบุรีตอนนั้นท่านเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆประโยคหลังพระเถระเจ้าพูดกับท่านพระครูผู้ซึ่งรับว่าขอรับกระผมถูกศัตรูใช้กนสึกถีบลงน้ำแล้วฟันด้วยดาบจนศีรษะขาดมันเกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบตอนนั้น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 เจ้าอาวาดรูปนั้นประชิกเพราะอยากเป็นกษัตริย์เขาทรยศต่อชาติด้วยการเป็นไส้ซึกให้พมา่าเขามีน้องชายเป็นแม่ทัพเช่นเดียวกับกระผมเจ้าอาวาดก็คบคิดกับน้องชายว่าถ้ากรุงศรีอยุธยาแพ้แก่พมา่าเขาก็จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์น้องชายเขาจะเป็นมหาอุปราชแล้วเขาจะแต่งตั้งรองเจ้าอาวาด ที่ร่วมมือกับเขาให้เป็นแม่ทัพแทนน้องชายเขาเป็นพระแต่มีความโลภซิยิ่งกว่าคฤรหัดท่านพูดโปรง่ปรงๆในอนาคตพระส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้พวกเขาจะแก่งแย่งตำแหน่งกันถึงขั้นทำลายชีวิตฝ่ายตรงข้ามอีกไม่นานเธอจะได้เห็นหลวงพ่อในป่าพูดขึ้น แล้วเจ้าอาวาดรูปนั้นได้เป็นกษัตริย์อย่างที่ต้องการหรือเปล่าขอรับพระบวยเฮียวถามพระเถระเจ้าเป็นคำถามที่ท่านพระครูรู้สึกว่าลูกศิษย์ของท่านซื่อจนเกินขอบเขตจึงตอบแทนพระเถระเจ้าว่าก็ชั้นเพิ่งพูดไปยกยกว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก็คือพระเจ้าเอกทั์ แล้วเธอถามอย่างนี้ได้อย่างไรออจริงสิผมก็ฉลาดน้อยไปหน่อยต้องขอประธานโทษหลวงพ่อด้วยนะครับแต่ผมก็ยังอยากรู้ว่าจเจ้าอาวาดรูปนั้นเป็นอย่างไรจึงกรุงแตกพระเถระเจ้าเป็นผู้ตอบว่าถูกพม่าตัดคอทั้งพี่ทั้งน้องก่อนตัดคอพม่าบังคับจเจ้าอาวาสศึกเป็นคฤรืหัดก่อน เพระาะพม่าจะนับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่อยากฆ่าทั้งผ้าเหลืองแล้วเจ้าพระฝางไม่หนีไปท่านจะฆ่าทั้งผ้าเหลืองไม่ขอรับพระโบยเฮียวยังไม่ไวายสงสัยก็ต้องบังคับให้เปลืองผ้าเหลืองออกกอราวนี้พระหนุ่มหัวเราะคิกคท่านพระครูออกมนันไสจึงถามว่าหัวเราะ อ, อะไรมีอะไรขำนักร จะว่าขำก็ไม่ใช่จะว่าไม่ขำก็ไม่เชิงครับท่านเล่นสำนวนนี่อย่าชักใบเหวเรือเสียได้ไหมฉันไม่อยากฟังเธอพูดเยินเยอะแต่อยากฟังพระเถระเจ้าพระบัวเฮียวหยุดหัวเราะและจึงเฉลยว่าที่ผมหัวเราะเพราะขำนะครับคือพระเถระเจ้าบอกว่าถ้าจับเจ้าพระฟังได้ ก็ต้องให้เปลืองผ้าเหลืองออกก่อนแล้วค่อยค่าอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าพระฝังต้องตายอย่างอนาถคือตายในชุดชีบเปลอยคงเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยนะครับไม่ต้องคิดไกลไปถึงปานนั้นผู้ที่หมดความหลงในสงสารจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและไม่คิดอะไรเกินเหตุเอาละ ตั้งสติให้ดีแล้วฟังเราเล่าต่อพระเถระเจ้าบอกพระบูเหียวและจึงเล่าต่อว่าช่วงตีตีฝ่าวงล้อมออกไปมีเหตุการณ์คล้ายปฏิหารเกิดขึ้นกล่าวคือทุกครั้งที่ทหารพรมาร่าตามมาประชิด ต, ติดตัวก็จะมีไฟลุกโพร่ขึ้นในจุดใกล้ๆ ก, กันทำให้ทหารพรมาร่าเบนความสนใจไปที่กองไฟ เราก็เลยหนีรอดมาได้มารู้ภายหลังว่าเพื่อนเก่าของเราตามมาช่วยเพื่อนเก่าในสมัยที่เป็นศิษย์วัดด้วยกันตอบอย่างเด็กโยมมารดาพาเราไปฝากเป็นลูกศิษย์วัดเราเติบโตขึ้นมา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 ไม่เข้าใจแผนการอันแยบยล น, นี้ก็เลยพากันกระบฏแบ่งออกเป็นหมวกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เป็นเล่าเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนกรุงแตกในที่สุดกระบฏกลุ่มหนึ่งอ้างคําสั่งสอนของสหายเราให้นําเราไปประหารทั้งที่ตอนนั้นเราอยู่ในเพศบรรพชิตซ้ําร้ายกว่านั้นก็คือเกิดกระบดซ้อนกบฏ จนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้านเมืองละสําระสายอีกครั้งหนึง่งเราก็ได้เพื่อนสี่คนนี่แหละพากันลงเรือหนีไปนครศรีธรรมราชจากนั้นเราไม่พบกับพวกเขาอีกเลยเราได้ทราบภายหลังว่าเขาไม่อยากเป็นนักรบอีกได้กลับไปใช้ชีวิตแบบชาวนาชาวบ้านหากเราไม่ได้เพื่อนสี่คนนี้ ก็คงต้องตายอยู่ในสมณเพศและพวกที่ฆ่าเราก็ต้องบาปหนาสาหัสมากช่วงระยะเวลานั้นท่านตัดความหลงในสงสารได้แล้วหรือขอรับท่านพระครูถามยังแต่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเรารับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าได้ไม่นานก็เร่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้ดวงตาเห็นธรรม และได้เรียกสหายของเราให้มาหาพระเทะเจ้านิ่งไปครู่หนึ่งรำลึกนึกย้อนไปถึงสมัยที่ยังดำรงเพศครือหัดบรรยากาศในขณะนั้นเงียบสงบหลวงพ่อในป่าและสิทธิสององค์ของท่านต่างพากันนั่งนิ่งเพื่อให้พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีได้คิดคำนึงอย่างอิสระสิบนาทีผ่านไป พระเถระจึงเล่าว่าวันหนึ่งเราอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียวซึ่งเป็นกิจวัตรอันปกติวิสัยของเราเราจะนุ่งข้าห่มขาาแล้วก็จะเริญนพระกรรมฐานอยู่ในห้องพระหากไม่มีข้อราชการเร่งด่วนตอนนั้นบ้านเมืองเริ่มสงบลงมาหลังจากที่เราแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของรัสดรได้แล้ว ช่วงนั้นท่านรับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าหรือยังขอรับท่านพระครูถามและพร้อมที่จะจดจำคำตอบลงในสมุดที่ท่านเตรียมมาแสงสว่างจากเทพทั้งหลายที่รายล้อมอยู่รอบโบสถ์ทำให้ท่านไม่ต้องการแสงสว่างจากเทียนหรือจากไฟฟ้ารับแล้วและถือปฏิบัติทุกวันหลวงพ่อในป่าท่านเมตตาเมตตาเรามาก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 ช่วยเสริมว่าเพราะความเมตตาของหลวงพ่อเราจึงคิดที่จะตัดขาดจากคารวาดวิสัยและตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินับตั้งแต่รับกรรมฐานแล้วเพราะสงครามกู้ชาติทำให้เราต้องทำลายชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมากเราอยากล้างบาปที่ทำกรรมที่ก่อจึงคิดว่าการบวชจะทำให้เราได้ใช้หนี้กรรม ได้มากกว่าการเป็นคฤรืหัดเราเคยอ่านหนังสือเรื่องสัน ต, ติอามาตที่เคยฆ่าคนมานับพันคนแต่ก็สามารถบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ได้เรามีกาลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าเรามีหลวงพ่อในป่าเป็นกาลยาณมิตรน่าจะตัดบาปกรรมลงได้บ้างหรือหากสําเร็จเป็นพระอรหันต์ ก็จะตัดบาปกรรมได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงให้ทหารไปเชิญสหายของเรามาพบจเจ้าอาวาสวัดป่ามาว่วงจึงถามขึ้นว่าสหายของท่านคือเจ้าพระยาตากมหากษัตริย์ศึกใช่ไหมขอรับไม่ใช่พระเถระตอบ